บทภาชนีนิสักียปาจิตตีเจ็ดร้อยสามบหกที่เกินกําหนดราตรีภิกษุณีสําคัญว่าเกินกําหนดแล้วต้องอบัตินิสักียปาจิตตีบาทที่เกินกําหนดราตรีภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตินิสักียปาจิตตีบาทที่เกินกําหนดราตรีภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่เกินต้องอบัตินิสักียาปาจิตตีบัด ยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุณีสําคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอบัตตนิสกิยปาจิตตีบาทยังไม่ได้วิกัพภิจุณีสําคัญว่าวิกัพแล้วต้องอบัตนิสกิยปาจิตตีบาทยังไม่ได้สละดพิษุณีสําคัญว่าสละแล้วต้องอบัตนิสกิยปาจิตตีบาทยังไม่สูญหายภิจุณีสําคัญว่าสูญหายแล้วต้องอบัตตนิสกิยปาจิตตีบาทยังไม่ฉิบหาย ภิกษุณีสำคัญว่าฉีบหายแล้วต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีบาทยังไม่ได้แตกภิกษุณีสําคัญว่าแตกแล้วต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีบาทยังไม่ได้ถูกโจรชิงเอาไปภิกษุณีสําคัญว่าถูกชิงเอาไปแล้วต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีติกะทุกกดบาทที่เป็นนิสกีภิกษุณียังไม่สละใช้สอยต้องอบัติทุกกด บาตรที่เป็นนิสกีภิกษุณียังไม่สละใช้สอยต้องอบัตทุกกฎบาตที่ยังไม่เกินกําหนดราตรีภิกษุณีสําคัญว่าเกินกําหนดแล้วต้องอบัตทุกกฎบาตที่ยังไม่เกินกําหนดราตรีภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎบาตที่ยังไม่เกินกําหนดราตรีภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่เกินกําหนดไม่ต้องอาบัต